ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคัมภีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรกิจตาจารย์ชาวศรีลังการจนาคัมภีชินาลังการะดีกาเป็นคัมภีร์ที่ท่านประมวลข้อความจากคมภีร์ต่างๆมาแสดงแต่งอธิบายขยายความคัมภีชินาลังการะที่ท่านแต่งเป็นคาถาประกอบด้วยถ้อยคำ ที่เป็นบทกวีแบบสรุปเนื้อหาด้วยข้อความสั้นๆเช่นบทกวีที่เป็นโครงกรอนในภาคภาษาไทยที่ท่านแต่งสรุปสั้นๆซึ่งต้องมีการอธิบายขยายความข้อความที่ท่านประมวลจากคำพี ต, ต่างๆมาแต่งอธิบายนั้นเป็นข้อความจากคำพีพระไตรปิฎกอัตถกาตีกาประกรณ์วิเศษและอภิธาน คำพีชินาลังกาท่านแต่งแสดงพระพุทธคุณตามแนวพระสูตรเป็นคาถาล้วนเป็นคำพีแม่บทที่นำมาแต่งอธิบายทั้งคำพีแม่บทคือชินาลังกาที่ถูกอธิบายและคำพีที่อธิบายคือชินาลังการะดีกาแต่งโดยบุคคลคนเดียวกันคือพระพุทธรคิตาจารย์ข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้แต่งพระพุทธรคิตาจารย์ เป็นชาวโรหณะชนบทในเกาะสิงหนผลมีชีวิตอยู่ช่วงพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดมีความรู้เชี่ยวชาญในอภิธรรมเป็นอาจารย์สอนพิกสุทั้งหลายที่ว่าพระพุทธรษิตาอาจารย์รูปเดียวกันได้แต่งคำพีชินาลังกาและชินาลังการะดีกานั้นกล่าวตามคำของพระอาจารย์ผู้แต่งคำพีจูระคันธวงศ์ซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านมิได้แต่งข้อความเริ่มต้นใหม่ ท่านนำคาถาเริ่มต้นของคมภีชินาลังการมาเป็นคาถาเริ่มต้นในคมภีชินาลังการะดีกาแล้วอธิบายในท้ายคำพีท่านก็มิได้แต่งคำลงท้ายใหม่ท่านใช้คาถาแสดงคำลงท้ายของคำภีชินาลังการเป็นคำลงท้ายของคำภีชินาลังการะดีกาไม่มีการระบุชื่อผู้แต่งคมภีชินาลังการะดีกาในเนื้อหาใช้แต่คำว่า พุทธรักิตาจารย์ซึ่งการใช้นั้นไม่ได้หมายถึงตัวผู้แต่งคำพีดีกาแต่ใช้หมายถึงตัวผู้แต่งคำพีแม่บทคือคำพีชินาลังกาเมื่อกำหนดความก็ดูขัดข้องในทางภาษาคือตนเองกล่าวถึงงานที่ตนเองกระทําโดยใช้คำปฐมบุรุษที่ว่าในคำพีชินาลังการะดีกาปรากฏคำว่าพุทธรกิตาจารย์นั้นปรากฏสิทธิแผง ซึ่งต้องดูฉบับภาษาบาลีในฉบับแปลนี้ปรากฏมากกว่าสิบแห่งเพราะแปลเสริมเข้ามาที่ปรากฏสิบแห่งคือท่านได้พนานาว่าพระพุทธรคิตาจารย์ได้ศึกษาตอบถามไตรตรองนวังคะสัตตุศาสตร์คือพระไตรบิดกมาจนสามารถวินิจฉัยเนื้อหาได้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมรอบรู้วิชาคนนํานวิชานักตัดวิทยา วิชาตักกวิทยาและวิชาเวยากล์ประสงค์จะ ก, กล่าวพุทธานุสติจึงแต่งคมภีชินาลังกาท่านพนานาว่าพระพุทรธรคิตาาจารย์เป็นขุนคลังเก็บเครื่องประดับคือพระคุณของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าใส่ไว้ในพระอบกลิ่นหอมคือคมภีชีนาลังกาดุดขุนคลังเก็บเครื่องประดับของพระเจ้าจากักรพรรดิใส่ไว้ในพระอบแก้ว ท่านระบุชื่อพระพุทธรคิตาจารย์ในฐานะที่กล่าวเรื่องนั้นๆเช่นพระพุทธรคิตาจารย์เมื่อจะแสดงความเป็นไปแห่งยานจึงกล่าวว่าชานาติโสโลกะมิมังประรัญจะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงรู้โลกนี้และโลกอื่นพระพุทธรคิตาจารย์ได้ประกาศตนขอถึงพระพุทธเจา้าเป็นสารณะจนกว่าจะนิพพานว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีและทรงมีตะบะที่ไม่เก่าแก่จนกว่าจะถึงสภาวะที่ไม่เก่าแก่ท่านตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำการบริจาคใหญ่ห้าประการอันเป็นผลทางแห่งพระโพธิญาณจะตัดกิเลสเอาชนะมานทั้งห้าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้ชี้ชัดว่าพระพุทธรักิตาจารย์เป็นผู้แต่งคัมภีชินาลังการแต่ไม่มีข้อความที่ระบุชัดเจนว่าพระพุทธรักขิตาจารย์แต่งคัมภีชินาลังการะดีกาเมื่อกําหนดข้อความแล้วก็พอจะเชื่อได้ว่าพระพุทธรักขิตาจารย์แต่งคัมภีชินาลังการะดีกาด้วยเนื้อหาโดยสรุป คำภีรชินาลังการาดีกาอธิบายคาถาในชินาลังการที่พันานาประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประศูตดไปจนถึงปรินิพานพอสรุปความได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ลัพระองค์กว่าจะบำเพ็ญบา ร, รมีบริบูรณ์แล้วได้ตรัสรู้นั้นต้องใช้เวลายาวนานพอตรัสรู้แล้วก็ประกาศศาสนาแสดงธรรมโปรดประชาชาวโลกมิได้หยุดหย่อนจนกระทั่งเสด็จดับขันธ์ท่ปรินิพาน พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในโลกนั้นก็มาได้เพียงองค์เดียวจะมาตรัสรู้พร้อมกันสององค์ไม่ได้ที่มีได้เพียงครั้งละองค์เดียวเท่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีติดต่อกันแบบองค์นี้ดับขันธปรินิพานไปถวายพระเพลิงพระพุทธสริระแล้วอีกองค์ก็มาตรัสรู้ติดต่อกันไปกว่าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้เป็นเวลายาวนานมากจะมาตรัสรู้ติดต่อกันไม่ได้ไมิใช่ฐานะที่จะมีได้ ในโลกธาตุหนึ่งนั้นมีพระพุทธเจ้าได้เพียงครั้งละองค์เดียวเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งสิ้นไปจนไม่เหลืออะไรแม้แต่อักษรที่จารึกอรรยศาสตร์สี่ก็ไม่ปรากฏให้เห็นกว่าพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งจะมาตรรู้ได้นั้นนานแสนนานพระพุทธเจ้าตรงเป็นบุคคลเอกเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีใครเหมือนไม่มีใครวิเศษกว่าในด้านพระคุณ เป็นผู้เสมอกับผู้ที่หาผู้เสมอไมิได้คือมีพระคุณเสมอกับพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้วในอดีตมีพระคุณเสมอกับพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตสเสด็จอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลชนเป็นอันมาเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกกูนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงเป็นผู้มีพระมหาการุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์พระคุณของพระองค์มีมากกว้างขวางหาที่สุดมิได้พนวิสัยที่จะพนานาให้หมดสิ้นได้สุดวิสัยที่มนุษย์จะกล่าวพนานาให้หมดสิน้นต่อให้เทพยดาอินพรหมทั้งหลายก็ไม่สามารถพนานาพระพุทธคุณให้สิ้นสุดได้ซึ่งพระพุทธรกิตาาจารย์ก็ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพานาณาเนื้อความพระพุทธคุณทั้งก้าบทแต่ละบทพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นก็ไม่เพียงพอเพราะพระพุทธคุณทั้งหลายกําหนดประมาณมิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเลยว่าสิ่งที่นับไม่ได้มีเบื้องต้นที่สุดเขตแดนไม่ปรากฏสี่อย่างคือมูสัตว์อากาศอนันตจักรวาลพระพุทธญาณที่หาประมาณมิได้นี้ ใครๆไม่อาจรู้แจ้งได้ก็คือเป็นอนันตานั่นเองสิยามบทแต่ละบทรวบรวมพระพุทธคุณทั้งสิ้นไว้อันเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปราศจากยานย่อมไม่มีพระไตรปิฎกทั้งสิน้นเป็นคําอธิบายบทพุทธคุณแต่ละบทเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับกันเพราะพระอัศกถาจารย์ทั้งหลายก็ได้แต่งคาถาพันนาไว้ทํานองนี้ ซึ่งในคำภีทชินาลังการะดีกาก็ได้นำมาประกอบการพนานาด้วยดังนี้วุฒโทปิวุฒัสสะพระในยะวั น, นังกัมปัมปิเจอัญญะมะทาตมาโนขีเยทะกัโปโจระทีฆะมันเตเรวันโนะขีเยะทะตถาคตัสสะแม้หากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงมีพระชนมายุหนึ่งกับ จะไม่ตรัสพระธรรมเทศนาอะไรอื่นทรงพรรณนาแต่คุณแห่งพระพุทธเจ้าสิ้นวันคืนสิ้นการช้านานจนครบหนึ่งกับพระคุณของพระพุทธเจ้าหาสิ้นไปไม่หมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะตรัสสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งหรือพระพุทธเจ้าจะตรัสสรรเสริญพระคุณของพระองค์เองสิ้นการเวลานหนึ่งกับโดยไม่แสดงทำอะไรอื่นเลย วันเวลาหนึ่งกับซึ่งยาวนานมากจะพึงหมดสิ้นไปแต่พระพุทธคุณที่จะพึงพนานานั้นยังพนานาไม่หมดสิ้นข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าหากพระพุทธเจ้าจะทรงพนานาสรรเสริญก็พนานาไม่หมดสิ้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมาตรสรู้แล้วไม่เทศเรื่องอื่นไม่สอนใครจะพนานาคุณของพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วในอดีตก็พน า, นาไม่หมด พระองค์จะดับขันธะปรินิพานก่อนหรือจะพนานาคุณของพระองค์เองก็เช่นกันแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองจะพนานาคุณของพระพุทธเจ้าก็มิอาจจะพนานาให้หมดสิ้นได้พระชนมาายุ ข, ของพระองค์จะสิ้นสุดก่อนพระพุทธคุณนั้นจะได้หมดสิ้นไปก็หามิได้ในยุคสมัยปัจจุบันแต่เป็นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็ยอมรับในเรื่องนี้ดังคาถาที่ท่านประพันธ์ไว้ว่า สหัสสีเสปิเจโปโ ต, โตสีเสสีเสสตังมุขามุเขมุเขสตังชิวหาชีวกะโปโมหิตโกนาสกโกติจะวันเนตุงนิเสสังสัตถุโนคุณังแปลความว่าแม้หากว่าจะมีบุุษผู้มีฤทธิ์มากเนรมิตรีษะขึ้นมาหนึ่งพันแต่ละศีษะมีปากหนึ่งร้อยปากแต่ละปากมีลิ้นหนึ่งร้อย เท่ากับมีปากหนึ่งแสนมีลิ้นหนึ่งโกดมีชีวิตอยู่หนึ่งกักก็ยังไม่อาจจะพณ น, นาพระคุณของพระพุทธเจ้าให้หมดสิ้นไปได้คาถานี้ค้นไม่พบในคำพีอัตกถาดีกาทั้งหลายสันนิฐานว่าท่านผู้แต่งคำพีไตรภูมิโรกะวินิชยกาถาซึ่งแต่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้แต่งขึ้นจากข้อที่กล่าวมานี้ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับกัน แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถพนานาพระคุณของพระพุทธเจ้าให้หมดสิ้นได้เพืตามแต่ก็ได้มีพระสาวกทั้งหลายแต่งคัมภีร์พนานาพระพุทธคุณกันคมภีร์ชินาลังการะและคัมภีร์ชินาลังการะดีการนี้ก็เป็นคัมภีร์ที่แสดงพุทธประวัติในเชิงพนานาพระพุทธคุณเนื้อหาตามสารบาลประกอบด้วยเรื่อง22เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่หนึ่งพนานาคาถาแสดงความนอบน้อม เรื่องที่สองพรรณนากุระบรผู้เป็นโยคะวจรเรื่องที่สามพรรณนาคาถ า, าชำระเรื่องเรื่องที่สี่ก็พรรณนาพุทธเขตสามเรื่องที่ห้าพรรณนาอาสาธรณยาณเรื่องที่หกพรรณนาอภินิหารในการกรเรื่องที่เจ็ดพรรณนาการพยากร์เรื่องที่แปดพรรณนาโพ ธ, ธ, ธิสมภารเรื่องที่เก้าพรรณนาการถือปฏิสนธินในพระคัน เรื่องที่สิบพันนาสิริมงคลของพระโพธิสัตว์เมื่อคราประสูตรเรื่องที่สิบเอ็ดพั น, นาสมบัติของพระโพธิสัตว์ผู้ดำรงอยู่ในคารวาสวิสัยเรื่องที่สิบสองพันนาการบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งใหญ่เรื่องที่สิบสามการตัดใจจากความรักภายนอกเรื่องที่สิบสี่การตัดใจจากความรักภายในเรื่องที่สิบห้าพันนาความปราชัยของมารเรื่องที่สิบหกพันนาการตัดรู้ เรื่องที่สิบเจ็ดพันานาเทศนาญาณคือการแสดงธรรมจักรเรื่องที่สิบแปดพันานาปาฏิหารสามอย่างเรื่องที่สิบเก้าพันนาพระพุทธคุณเก้าพระพุทธคุณเก้าบทเรื่องที่ยี่สิบพันานาการบูชาพระพุทธเจ้าเรื่องที่ยี่สิบเอ็ดคาถาแสดงความปรารถนาและหัวข้อสุดท้ายก็คือลำดับที่ยี่สิบสองคาถาแสดงคําลงท้ายการอธิบาย ลักษณะแห่งคมภีที่พระเถระผู้ทรงความรู้แต่งอธิบายข้อความจากคำภีที่ท่านประสงค์จะอธิบายถ้าคำพีที่จะอธิบายนั้นท่านแต่งเป็นรูปคาถาผู้ที่แต่งอธิบายจะยกคัดลอกคาถาแต่ละคาถามาเป็นบทตั้งแล้วอธิบายเช่นคำพีชินาลังการดีการนี้เ <exhausted> ป็นคำพีที่อธิบายคำภีชินาลังการะที่แต่งเป็นคาถาล้วนแต่ไม่ได้อธิบายทุกคาถา และคาถาที่ท่านอธิบายก็ม่ได้อธิบายทุกคำคำเพี์ที่อธิบายท่านก็จะยกคาถามาตั้งเป็นบทอุเทศคือหัวข้อการอธิบายนั้นเมื่อยกคาถามาตั้งแล้วท่านก็จะนำคำแต่ละคำในคาถานั้นมาตั้งเป็นข้อความร้อยแก้วอธิบายไปทีละคำเฉพาะคำที่เข้าใจยากในการยกคำมาอธิบายนั้นจะยกคำที่เรียงไว้ตั้งแต่ต้นไปจนคาสุดท้าย ท่านมิได้ยกคําตามที่แปลในภาษาไทยหรือคําที่ถือเอาความในภาษาบาลีก่อนมาอธิบายเช่นในคาถาที่หนึ่งนี้ท่านยกคําแรกในภาษาบาลีแต่เป็นคําที่สิบสี่ในภาษาไทยมาอธิบายคือคําว่าสุขขังสุขจากคําทีชื่นละลานการแต่ลักษามาเป็นบทตั้งแล้วก็อธิบายไปทีละคาถาเฉพาะคาถาที่หนึ่งข้อความว่า สุขันจะดุขังสมตายุเปกขั้งเนวิชิโยกามะมะกามะนีตังอสังขตังสังขตะสัมภวังภวังจิตวาคโตตังสุขตังนามิแปลความว่าพระสุคตเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงปราถนาแล้วซึ่งสุขทุกข์และอุเบกขาด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมไม่ทรงปราถนาแล้วซึ่งสมบัติที่การชักจูง และซึ่งสมบัติที่การชักจูงไม่ได้ไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งภพที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและซึ่งภพที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทรงละไปแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคเจ้าพระองค์นั้นในคาถานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่า ส, ขขสุขังสุขคือสุขทางกายและทางใจได้แก่โสมนัสสุขในราชสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ ที่เกิดด้วยกำลังแห่งกุศลอันสั่งสมมาตลอดสมัยอันาำนดนับมิได้ซึ่งความสุขสุดยอดในโลกอันใดพระสุคตเจ้าก็ไม่ต้องปรารถนาซึ่งสุขนั้นพระพุทธรักษิตาอาจารย์ย่อมแสดงการละกามสุขหลลิกานุโยคด้วยคำว่าสุขหังนั้นคำว่าทุกขังทุกได้แก่ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับจากการบาเพ็ญเพียร เ, เป็นเวลาหกปี ทุกที่เกิดขึ้นเพราะการบริจาคพระเนตรในคราวจะบำเพ็ญบา ร, รมีให้บริบูรณ์เป็นต้นและทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดมีทุกข์ในนรกเป็นต้นพระสุคตเจ้าไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งทุกขเหล่านั้นพระพุทธรกษิตาอาจารย์ย่อมแสดงการที่พระโพธิสัตว์ทรงละอัตตกขีรามัฐานุโยคด้วยคำว่าทุกขังนั้นคำว่าสมตาตายุเบกขังอุเบคาด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมความว่า จะตุตฌานมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบขาอันใดที่ได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันเว้นจากส่วนสุดโต่งสองประการและอุเบขามีองค์ประกอบหกประการที่ได้ด้วยวิมุตติคืออรหัตผลซึ่งมีจตุตฌานนั้นเป็นบาทพระสุคตเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาแม้ซึ่งอุเบขาด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมนั้นอธิบายว่า พระสุคตเจ้าตรงปรารถนาเฉพาะซึ่งอนุ ป, ปาธาปรินิพานเท่านั้นคําว่ากามะนีตังสมบัติที่กามชักจูงได้แก่พระสุคตเจ้าไม่ตรงปรารถนาสมบัติในภพที่การมตัญหาชักนําไปคําว่าอากามนีตังสมบัติที่การชักจูงไม่ได้ได้แก่พระสุคตเจ้าไม่ตรงปราถนาโลกรสสมบัติที่ทรงได้มาด้วยการและตามฉันทะ อีกในหนึ่งคําว่ากามณีตังสมบัติทีการชักจูงได้ แ, แก่พระทุกเจ้าไม่ตรงปรารถนาสมบัติที่ความปรารถนาของพระองค์ชักนําไปคือความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ต้อง ต, องตรงกระทําอภิิหารคือความปรารถนาแทบบาดมูลของพระทีปังกรพุทธเจา้าแล้วอดกลั้นทุกข์อันเกิดขึ้นในเพราะการบริจาคดวงตาเป็นต้นในการที่กําหนดประมาณมีได้แล้ว ได้มาด้วยความยากลำบากใหญ่หลวงพระสุคตเจ้าทรงสละแล้วซึ่งความอาลัยในทุกข์ที่ทรงได้รับเพราะความปรารถนาของพระองค์นั้นและซึ่งความอาลัยในความเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงได้มาด้วยทุกนั้นคำว่าอาการมนีตังสมบัติที่การชักจูไม่ได้ความว่ า, า, า, า, ว า, วาพระสุคตเจ้าไม่ทรงปรารถนาซึ่งอรหัตผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อีกอย่างหนึง่งพึงทำ คือแปลคำว่ากามะมะกามะนีตังเป็นวิเศษณะของบาทแรกพึงสัมพันธ์คำว่าอาสังคตังที่ไม่ถูกปัจจัยปรงแต่งและคำว่าสังคตะสัมพวังที่ถูกปัจจัยปรงแต่งเข้ากับคำว่าพวังพบในคำว่าพวังพบนี้หมายถึงสมบัติและการเข้าถึงอธิบายว่าพระสุคตเจ้าพระองค์ใด ไม่ทรงปรารถนาเลยซึ่งสมบัติมีมัชผลและพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นที่ทรงได้มาด้วยการกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานชาณสมบัติซึ่งมีสิ่งที่ถูกบัญญัติเป็นอารมณ์มีบัญญัติเป็นอารมณ์นะและภูเขสมบัติในภพที่ถูกปัจจัยปรุงแป่งอันเกิดจากบุญที่กําหนดนับไมิได้อันใดข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสุคตเจ้าพระองค์นั้น ที่ท่านอธิบายว่าพระพุทธเจ้ามไม่ทรงปรารถนาอะไรทั้งสุขทุกขะทันิพานก็เพราะพระองค์ทรงพ้นหมดแล้วไม่ทรงยึดถืออะไรทรงอยู่เหนือสิ่งที่พระองค์ทรงได้มาในฉบับแปลนี้แปลคาถาโดยมิได้ยกภาษาบาลีแต่คําอธิบายได้ยกภาษาบาลีกํากับด้วยภาษาไทยเช่นบทว่าสุขขังสุขและได้ทําการแปลคานองนี้ตลอดจนจบ การศึกษาความหมายถ้าต้องการอ่านศึกษาเรื่องก็อ่านคําอธิบายที่มีเรื่องราวประกอบจะได้อัทรศทางประวัติศาสตร์ถ้าต้องการทราบความหมายแห่งคาถาก็พึงตั้งข้อสังเกตโดยอ่านคาถาที่มีตัวเลขกากับแต่และคาถาอ่านแล้วมีความสงสัยคาไหนบ้างก็ตามดูคาอธิบายว่าท่านอธิบายไว้ช่วงไหนเช่นอ่านคาถาที่หนึ่งพบคาว่าอุเบขา ด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมสงสัยว่าวางเฉยอย่างไรจึงชื่อว่าอุเบกขาด้วยปฏิปทาที่เหมาะสมก็ค้นดูความหมายก็พบว่าท่านอธิบายอยู่ในหน้าเดียวกันนั่นเองว่าอุเบกขาด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมคือจะตุจจานที่ปฏิบัติจนได้บรรลุ ด, ด้วยมัชชิมาปฏิปทาอันเว้นจากส่วนสุดโตงหลายแห่งท่านผู้แต่งได้ใช้ถ้อยคาที่ทําให้ผู้แปลและผู้ตรวจต้อง เปิดพจนานุกรมภาษาบาลีไทยดูคำหมายหรือว่าคำแปลที่ควรจะนำมาใช้เพราะไม่คุ้นและไม่ค่อยพบสัพ์เช่นนั้นในคัมภีร์ทั้งหลายเช่นตอนที่ท่านแต่งคาถาพันานาถึงสตรีบริวารของท่านางยโสธราซึ่งคอยปรนิบัติเจ้าชายสิทธัตถว่าสันโจริตาปีณประโยธราธราวิราชิตานังคะชเมขคราครา สุรังคนานังคชะภักษะดาสดารมารมาเปนติวรังคดาคดาสตรีทั้งหลายผู้มีฐันเต่งตึงและริมฝีปากอินมต่างชี้ชวนแต่ละนางประดับเครื่องประดับของลับซึ่งก่อให้เกิดความกำหนัดทุกนางให้สัมผัสที่นิ่มนวลในทุกเมื่อดูสัมผัส ข, ของนางเทพอักษรน่ารักชักชวนให้รื่นรม ด้วยสัตว์ตวนดุดโอตสมุนไครคาถานี้เป็นคาถาที่คำท้ายซ้ำกันแต่ความต่างกันศัพท์หลายศัพท์ในคาถานี้นอกจากดูคำอธิบายแล้วยังต้องเปิดทจนานุกรมภาษาบาลีไทยเพื่อแปลคำว่าตีนะปะโยธราทราตีนะไม่มีปัญหาพบบ่อยเป็นตับคุณหรือว่าวิเศษนณะแสดงลักษณะคำนามให้เด่นขึ้น แปลว่าเอิบอิ่มหวกอันหรือแปลให้คล้อยตามสนับสนุนประโยชนธราร์ก็มาจากคําว่าปะยะอัทระประยะแปลว่าน้ํานมธระแปลว่าส่งไว้ประโยชธระแปลว่าอาวัยวะที่ส่งไว้ซึ่งน้ํานมรวมความก็คือเต้านมสับท้ายคืออัทระแปลว่าริมฝีปากสับนี้ไม่ค่อยพบในการใช้สับนี้แปลว่าริมฝีปากอัทระ วิราชิตานังคะชะเมฆลาคลาวิราชิตาไม่มีปัญหาอนังคชะก็มาจากคาว่าอานังคะกับชะอนังคะหมายถึงกามราคะชะก็ให้เกิดอนังคชะให้เกิดกามราคะอนังคะชะท่านอธิบายว่าอิถีลิงคะคือเพศหญิงหรืออัยุวะเพศของหญิงเมฆล า, าเป็นเครื่องกระดับปิดของลับอคลาไม่แข็งกระด้าง คือดูนุ่มนวลมองเห็นทะลุปลุกปลงศัพท์นี้ไม่ค่อยพบการใช้สุรังคนานงางทัชปัสดาสดาสุรังคนาก็มาจากคำว่าสุระกับอังคณาสุระแปลว่าเทวดาพบบ่อยอังคณาก็หญิงสาวสุรังคนาก็แปลว่าหญิงสาวของเทวดาไม่ได้ความต้องแปลว่านางเทพธิดาหรือว่านางเทพอักษรสุรังคนาแปลว่านางเทพอักษร ท่านอธิบายว่าทิพพังคณะนาก็ยังเข้าใจยากอยู่ทิพระก็มาจากคำว่าทิพยะอังคนาก็หญิงสาวแปลว่าหญิงสาวทิพหรือว่านางทิพก็หมายถึงนางเทพธิดาหรือว่านางฟ้านั่นเองอันนางคะชะพาสตาแต่ละนางให้ทัตตะที่ให้เกิดการบราคะซึ่งท่านอธิบายโดยใช้ถ้อยคำแบบนักกวีชาวโลกคือใช้ถ้อยคำที่ทําให้ผู้แปลหรือว่าผู้อ่านบาลี สร้างจินตนาการได้คือท่านอธิบายว่าเมทุนภาษะดายิกาสตรีผู้ให้ภัาษะในเมถุนหมายถึงสตรีที่รูปร่างสวยเห็นแล้วให้ความรู้สึกทางเพศรมารมาเป็นติวรังคะดาคดารมาหมายถึงผู้หญิงคํานี้หาในพจนานุกรมไม่ได้เทียบกับคําว่ารมณีซึ่งหมายถึงผู้หญิงเช่นกัน ราาสับเดียวกันมาจากระมุธาตุรมณีวิเคราะห์ว่ารัมยติวิโนโดยติติรมณีแปลเอาความว่าสตรีผู้บรรเทาความไข่ลงยุ ป, ปัจใจแปลงเป็นอนะลบสระหน้าก็าคือสระอุที่มุเป็นรมนะัมณะแล้วใส่เครื่องอิถีลิงคืออีเป็นรมณีส่วนรัมมาก็มีวิเคราะห์เหมือนกันลงอากปั จ, จัยจึงได้รูปเป็นรมา เรามาเป็นติไม่มีปัญหาในการแปลวรังคดาคดาวรังคดะกับบวกกับอะคดาวรังคดะวรังคะอวัยวะที่สําคัญทะก็ให้วรังคดะก็แปลตามตัวอักษรว่าให้อวัยวะที่สําคัญหมายถึงการแสดงออกด้วยท่าทางเชิญชวนด้วยสัดส่วนของเรือนร่างที่น่าสศเนหาอะคดาดุดโอสดสั้นอธิบายว่า รติวัฏทกะโอสทาวิยะดุดโอสดที่ให้ความเจริญใจข้อความที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งคาถาเท่านั้นในคำพีชินาตังการดีการนี้ท่านใช้ตับในลักษณะนี้ทั้งคำพีถือเป็นวรรณกรรมที่มีรถทางวรรณคดีชั้นเลิศสำหรับนักบาลีผู้ต้องการศึกษาความอลังการของศั์แสงและความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละสั์ แต่ผู้แปลจะแปลได้ถึงความหมายของศัพ์หรือไม่ยังตอบไม่ได้เพียงแปลเป็นแนวเพื่อศึกษาในเบื้องต้นเพื่อค้นคว้าความหมายที่ลึกซึ้งอลังการกันต่อไปข้อความที่หาไม่ได้ในคัมภีร์อื่นในคัมภีร์ชี่นาลังการราดีการนี้ได้แสดงการบำเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ว่าสิ้นสุดที่บริจาคยกพระนางมัสีให้แก่พราหมณ์เท้าสกะแปลง ดังข้อความว่าพระโพธิสัตว์ทรงสั่งสมบุญมากในการที่กำหนดมิได้เริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาแทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกรจนสวยประาติเป็นพระเวสสันดรยกพระนางมัสรีให้พราม์เท้าสกกะแปลงพระเวสสันดรทรงถือเอาสุดยอดแห่งบารมีทรงให้พระนางมาสัสรีเทวีแก่พราม์เท้าสกกะแปลงเป็นทานยิ่งกว่าทาน พระโพธิสัทเมื่อจะไปถึงฝั่งได้ทําให้บา ร, รมีทั้งหลายสิ้นตุดลงด้วยการให้พระนางมัสยีเป็นทานคือพระองค์สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเมื่อทรงสละพระนางมัสยีให้แก่บพราหมเท้าสัตตะแปลงทรงถือเอาที่สุดแห่งบา ร, รมีแล้วในอัตภาพที่เกิดเป็นพระเวสสันดรพระองค์ให้ทานเจ็ดครั้งโดยทําพระนางมัสยีเป็นทานที่ถึงความสุดยอดแผ่นดินได้ไหวเจ็ดครั้ง เมื่อกำหนดความตามนี้ก็หมายความว่าถ้าพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้สละสตรีคู่บา ร, รมีเป็นทานแล้วถือว่ายังบำเพ็ญบา ร, รมีไม่จบยังไม่อาจจะตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ข้อความเหล่านี้ยังไม่พบในคัมภีร์อื่นนอกจากนี้ยังมีเรื่องสําคัญที่ในคัมภีร์ชั้นอัตถกถาดีกาสายพระไตรปิฎกระบุแต่สั์บอกจํานวนแต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดเรื่องสําคัญที่กล่าวถึงนี้คือ พระอนุพยัญชนะแปดสิบประการของพระพุทธเจ้าปรากฏรายละเอียดในคัมภีชินาลังตารดีกาฉบับแปลเล่ม น, นี้ปรากฏในคัมภีชั้นพุทธประวัติในประเทศไทยคือคมภีปฐมสมโพธิกถาคมภีสายสันสกฤตที่แสดงรายละเอียดอนุพยัญชนะแปดสิบประการก็มีคมภีลลิตรวิตระที่แต่งเป็นทานองพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองที่เรียกว่าพระสูตร ไม่ปรากฏนามผู้แต่งสันนิษฐานว่าแต่งเมื่อประมาณพศห้าร้อยถึงหกร้อยก่อนคำภี์ช่นาลังการะดีการพระอนุพยัญชนะแปรสิบตการที่ปรากฏในคำภีที่กล่าวถึงทั้งสี่คำภีนี้มีข้อความแห่งพระอนุพยัญชนะในบางข้อต่างกันบ้างพระอนุพยัญชนะแปดสิบตการนี้มิได้รับการยกขึ้นสู่พระบาลีคือไม่มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎก แม้คำว่าอสิติอนุพยัญชนะนี้ก็ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่ว่าคำพีชั้นอัตกถาดีกาสายพระไตรปิฎกระบุแต่สั์บอกจำนวนอนุพยัญชนะแปดสิทธการแต่ไม่แสดงรายละเอียดนั้นคือในคำพีนั้นๆกล่าวเฉพาะว่าพระพุทธเจ้าตรงมีพระวรกายงามรุ่งเรืองด้วยพระอนุพยัญชนะแปดสิการเช่นในคำพีตุ ม, มังคละวิลาสี ทีขณิกายมหาวัฏทะคาถาเล่าว่าพระราชาทั้งหลายที่เสด็จมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาคิดว่าในครั้งก่อนพวกเราเห็นพระวรตายของพระผู้มีพระพาวจ้าระดับด้วยมหาปุริษลักษณะส2ปสองตการงามรุ่งเรืองด้วยพระอนุพยัญชนะแปิประการและในคำพีนี้อีกแห่งหนึ่งเล่าว่าพวกอัญญาเดรถีเอาทรัพย์หนึ่งพัน จ้างวารโรชะไปกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าวารโรชารับเงินไปมองดูพระพุทธองค์ตั้งแต่ปลายพระยุคลบาทไล่เงินไปจนถึงปลายพระเกศามองไม่เห็นสิ่งที่จะกล่าวติเตียนได้คิดในใจว่าเมื่ออัตภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหาบุริศลักษณะทั่วสารพางระดับด้วยพระอนุพยัญชนะแปดติประการไม่มีโทษที่ควรติเตียนอย่างนี้ ถ้าเรากปล่าติเตียนปากของเราจะบิดเบี้ยวศีรษะก็จะแตกเจ็ดเตียงไม่มีทางที่จะเปล่าติเตียนได้เลยในคำพีสุมังธละวิลาินีทีขนิกายปารติกวัคอัตกถาตอนที่อธิบายมหาปริศลักษณะสาองประการเล่าว่าพวกชาวโรรงสาวัตถีนั่งสนทนากาันรเรื่องพระอนุพยัญชนะแปิประการและมหาุริศลักษณะสาิสองประการในบ้านเรือนของตน ในคำพี ป, ปัตตานจะสุทนีมัชฌิมนิกายมูลปปนนาตอัตถาได้เล่าว่าในบรรดาบุคคลสี่คือบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณบุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณบุคคลผู้ถือการประพืิปันปอนคือนุ่งห่มปันปอนเป็นประมาณบุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณสำหรับบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณพอเห็นพระวรกายของพระพุทธองค์ซึ่งหาสิ่งเปรียบเทียบมิได้ เพราะประดับด้วยพระอนุพยัญชนะแปสิบแล้วย่อมเลื่อมใสในคำพีปรมัตถโชติกาคุตตกนิกายสุตตะนิบาทอัตถกาถาได้เล่าว่ากสิภาระทภาชพระามได้เห็นประชาชนในหมู่บ้านเอกนาราซึ่งเห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระวรกายประดับด้วยพระมหาุริศลลักษณะสันสองประการอันมีพระอนุพยัญชนะแปะสิบประการเป็นบริวาร ประทับยืนอยู่แล้วพากันล้างมือล้างเทา้ามายืนประคองอัญชลีแวดล้อมในคำพีชาดกอัตฉริยได้เล่าเรื่องตอนที่พระพุทธองค์สเสด็จไปโปรดพระญาติกล่าวแรกพระนางพิมพาเทวี v, ต้องการจะดูว่าเมื่อก่อนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเสด็จประทับบนเสลียงทองไปในนครนี้ด้วยราชานุภาพยิ่งใหญ่มาบัดนี้พระองค์ทรงปรงพระเกษาและพระมสุ ทรงนุ่งห่มผ้ากาสายะทรงถือภาชนะเที่ยวบินทบาทจะงดงามหรือไม่หนอจึงเปิดพระศีหัปัญชรมองดูก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรุ่งเรืองด้วยพุทธสิริอันสว่างสวัยด้วยพระอนุพยัญชนะ80สิประการประดับด้วยมหาปุริษลักษณะสามสิสองประการแผ่แสงออกรอบด้านตะมานวานหนึ่งจนถนนในเมืองสว่างสวัยหาสิ่งเตียบปานไม่ได้ ในคำพีวิสุทธะชนะวิลาสินีขุตการนิกายอปทานะอัตกถาได้เล่าเรื่องที่เสลธรรมเห็นพระพุทธองค์ผู้งามด้วยมหาบุริสลักษณะส2มทีการและพระอนุพยัญชนะแ0สิประการแล้วเลื่อมใสได้ประกาศชมเชยด้วยเหตุและข้ออุปมาหลายประการในคำพีสารัตถีปณีวิันปิฎกดีกาได้เล่าเรื่องที่สีหเสนาบดี ผิดของพวกนิครณขอไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถูกพวกนิครณหลอกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดห้ามมิให้ไปเข้าเฝ้าแต่ภายหลังสีหเสนาบดีได้เข้าไปเฝ้าโดยไม่บอกพวกนิครณให้ทราบพอสีหเสนาบดีเข้าสู่อารามก็เห็นพระอนุพยัญชนะแปดสิบประการแล้วก็พระมหาปริศลักษณะสาิบสองประการแผ่รัศมีออกประมาณวานหนึ่งแต่ไกลแล้วคิดว่า ตนไม่ได้เห็นบุรุษเช่นนี้ผู้ประทับอยู่ใกล้ๆเป็นเวลานานเราถูกพวกนิครหล่อกลวงเป็นโชคดีของเราก็เกิดปีติกามโมธแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและอีกตอนหนึง่งได้เล่าเรื่องที่คนเฝ้าสวนไม่ยอมให้พระพุทธเจ้าเข้าไปในสวนซึ่งมีพระอนุรุทธะพระนันทยะพระกิมพิระพักอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เสด็จเข้าไปโดยไม่ได้ทรงแสดงพุทธานุภาพ ให้คนเฝ้าสวนเห็นพระอนุพยัญชนะ80ประการและพระมหาปริศลษณะ32ประการคนเฝ้าสวนไม่รู้จึงห้ามพระองค์ในคำเพีร์ที่กล่าวถึงพระอนุพยัญชนะ80ประการข้างต้นนั้นกล่าวแต่คําว่าอนุพยัญชนะ80ประการมีคำมภีร์ดีกาสายพระวินัยปิฎกคือคัมภี้ยสารัตถทีปณีดีกาเพียงเล่มเดียวที่ระบุอนุพยัญชนะ2ประการ คือท่านอธิบายว่าพระอนุพยัญชนะแ0สิบประการมีตามพระนขาตุงพระนาสาดิทรงมีพระนขาสีแดงและทรงมีพระนาศิกสูงโด่งเป็นต้นซึ่งเป็นพระอนุพยัญชนะข้อที่ห้ากับข้อที่ยี่สิบท่านใช้อาดิศพซึ่งจะใช้ได้ประต่อเมื่อข้อความนั้นเป็นข้อต้นแต่นี้เป็นข้อความข้อที่ห้ากับข้อที่ยี่สิกาการจัดพระอนุพยัญชนะ พระอาจารย์ผู้แต่งคำพีสารถทักทีปณีวินยะดีกาศึกษามาอาจจะจัดไม่ตรงกันนอกจากนี้คำพีอัตกราดีกาได้พรรณนาในลักษณะการเล่าเลือและอธิบายความว่าพระวรกายของพระพุทธองค์งดงามรุ่งเรืองด้วยพระอนุพันชนะแสนสิทประการโดยมิได้มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการกล่าวชมหรือว่าพูดถึง เรื่องที่เกี่ยวกับพระวรกายของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกที่เป็นหมวดหมู่ก็มีเฉพาะพระมหาบุริษลักษณะสา ม, มิบประการมีกล่าวถึงในคัมภีชินาลังการะดีการนี้ด้วยมหาบุริษลักษณะกับอนุพยัญชนะนั้นคงค่อยๆปรากฏเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญพระชนสาขึ้นเพราะช่วงที่พามแปดคนซึ่งได้รับเชิญไปทํานายพระลักษณะมิได้มีการกล่าวถึง มหาบุริษลักษณะสามทีสองประการและพระอนุพยัญชนะ80สิบประการใช้เพียงคําว่าอิเมหิลักทเนหิตมันนาคโตผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ในคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระมหาบุริสลักษณะสามทีสองประการและพระอนุพยัญชนะ80สประการส่วนมากกล่าวถึงในเวลาที่เจ้าชายเสด็จถากตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเฉพาะพระอนุพยัญชนะ80สิบประการสันนิฐานว่า เป็นเรื่องที่พามผู้ชำนาญในการทำนายลักษณะบันทึกไว้ผู้แต่งคำพีในชั้นดีกาคงได้รวบรวมมาใส่ไว้ในคำพีของตนในยุคหลังคำพีที่แสดงอลังการทางอักษรศาสตร์คำพีที่แสดงความอลังการเกี่ยวกับเรื่องของอักษรต่างๆคำพีชินอลังการที่เป็นคำพีหลักเป็นบทตั้งอธิบายนั้น พระพุทธรคิตาจารย์แต่งแสดงอลังการอย่างล้ำเลิศหลากหลายในตามหลักคัมภีร์อลังการศาสตร์ขอนำมาเป็นตัวอย่างตามสมควรในตอนที่พระพุทธรคิตาอาจารย์แต่งคาถาแสดงการที่พระมหาบุรุษเห็นนิมิตแล้วเสด็จออกผนวดบำเพ็ญเพียรท่านได้แต่งคำแสดงความนอบน้อมเป็นคำปฏิโลมยมกคือข้อความที่คู่กันย้อนลําดับดังนี้ นโมตัตย์ยะโตมหิมโตยัสัตมโมนะข้อความนี้เรียกว่าปฏิโลมยมกแปลว่าข้อความคู่ย้อนลำดับเพราะเมื่อสัวตั้งแต่อักษรตัวต้นไปถึงอักษรตัวท้ายสัวตั้งแต่อักษรตัวท้ายไปถึงอักษรตัวต้นก็ได้สิบห้าอักษรสิบห้าพยางหรือว่าสิบห้าคำที่สำคัญ จะอ่านตั้งแต่ข้างต้นไปจนจบท้ายหรือว่าอ่านจากข้างท้ายไปจนจบข้างต้นก็ได้ข้อความเหมือนกันคือถ้าอ่านจากอักษรตัวต้นไปถึงอักษรตัวท้ายก็ได้วามเป็นภาษาบาลีว่านะโมตัสยโตมะหิมะโตยัสตะโมนะเมื่ออ่านจากอักษรตัวท้ายไปถึงอักษรตัวต้นก็ได้วามเป็นภาษาบาลีว่านะโมตัสยโตมะหิมะโตยัสตะโมนะเช่นกัน แต่ที่จะดูขัดอยู่ตรงที่วิธีใช้อักษรไทยและเครื่องหมายเขียนภาษาบาลีที่เป็นตัวสะกดมีตัวจุดสะกดอยู่ใต้ตะนั้นทำให้อ่านย้อนกลับยากเพราะพออ่านหรือว่าสวดย้อนลำดับบาลีอักษรไทยจะเป็นอย่างนี้คือนะโมตะสัตยะโตมาหิมะโตยะสัตตะโมนะเพราะว่าตัวจุดนี้จะทำให้อ่านเที่นไปหน่อยนึง ถ้าเป็นบาลีอักษรโรมันจะไม่ดูขัดเขียนแบบบาลีอักษรโรมันดังนี้นาโมตัสายาโตมาหิมาโตยัสตาโมนะถอดเป็นบาลีอักษรไทยได้รูปเป็นนาโมตัสายาโตมาหิมาโตยัสตาโมนะนี้ถอดตามตัวอักษรตามที่เป็นบาลีโรมันเพราะอ่านหรือว่าตรวจย้อนลําดับบาลีอักษรโรมันจะเป็นอย่างนี้คือ นาโมตัสะยะโตมหิมัโตยัสตะตโมนะถ้าเป็นอักษรสังโยคซ้อนแบบลังกาพม่าก็จะดูไม่ติดขัดเช่นเขียนแบบบาลีสิงหนของสีลังกาถอดเป็นบาลีอักษรไทยได้รูปเป็นนาโมตัสะยะโตมหิมัโตยัสตะตโมนะไม่มีจุดสะกดใต้อักษรดังนั้นข้อความนี้ถ้าอ่านบาลีของสีลังกาทั้งจากข้างต้นไปท้ายและจากท้ายไปข้างต้นจะไม่ติดขัด เข็นแบบบาลีพระมาะถอดเต็นบาลีอสกษรไทยก็ได้รูปเป็นนโมตสัยาโตมะหิมะโตยะสะตโมนะบาลีพระมาะพออ่านหรือว่าสวดย้อนลําดับจะเป็นอย่างนี้คือนโมตัสัยาโตมะหิมะโตยะสะตโมนะเหมือนกันทําแสดงความนอบน้อมนี้จะอ่านจะสวดจากต้นไปท้ายหรือว่าจากท้ายไปต้นนอกจากข้อความจะเหมือนกันก็ยังแปลได้ใจความเหมือนกันดังนี้ นะโมตัสะยะโตมหิมโตยะสะตัสตะโมนะตะโมความมืดคือโมหะนะไม่มียัสะพระวโตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดยะโตมหิมะโตเพราะความยิ่งใหญ่อานุภาพอันใดนะโมขอความรอบน้อมอัตถุจง ม, มีตัสสะพระวโตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น สวดย้อนลำดับแล้วข้อความตรงกันในบทนี้ดูจัอยังง่ายไปท่านได้แสดงคำสวดย้อนลำดับเป็นคู่กันถึงสองคู่จํานวนสองคาถาเรียกว่าดาวยะปฏิโลมะยะมกสังนี้โลกายาตตยากาโลวิเสสังนะนะสังเสวิวิเสสังนะนะสังเสวิโลกาญาตตยากาโล ราชราชายะโสเปตะวิเสสังรากิตังมยายามาังจิตรสังเสวิตเตโซยชราชราเวลาที่พระองค์เสด็จมาในโลกแล้วไม่ใช่ไม่ตรงเสษความวิเศษอย่างยิ่งเวลาที่พระองค์เสด็จไปจากโลกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ตรงเสษความวิเศษอย่างยิ่งก็คือเสษความวิเศษตลอดที่มาแล้วก็ไปด้วย คำพีชินารังการะใดข้าพเจ้ารจนาพระคนพิเศษประดับด้วยพระยศของพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชาด้วยบุญอันเกิดจากการแต่งคัมภีร์นั้นข้าพเจ้านั้นขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรงบำเพ็ญ น, นานและตรงมีตะบะอย่างไม่เก่าแก่จนกว่าจะถึงสภาวะที่ไม่มีความแก่ บทประพันธ์สองคาถานี้อ่านคำแปลก็ดูไม่น่าอัศจรรย์อะไรความอัศจรรย์อยู่ที่คำภาษาบาลีเช่นคาถาแรกอ่านจากอักษรตัวต้นไปถึงอักษรตัวท้ายได้ข้อความเป็นภาษาบาลีอย่างใดเมื่ออ่านจากอักษรตัวท้ายมาถึงอักษรตัวต้นก็ได้ความเป็นภาษาบาลีอย่างนั้นเหมือนกันอ่านจากข้างต้นได้ความเป็นภาษาบาลีว่า โลกายาตตยากาโลวิเสสะนณะสังเสวิวิเสสันาณะสังเสวิโลกายาตตยากาโลอ่านจากอักษรตัวท้ายไปข้างต้นก็ได้ความเป็นภาษาบาลีว่าโลกายาตตยากาโลวิเสสันาณะสังเสวิวิเสสันาณะสังเสวิโลกายาตตยากาโล ส่วนคำแปลที่ว่าเวลาที่พระองค์เสด็จมาในโลกแล้วไม่ใช่ไม่ทรงเสดความวิเศษอย่างยิ่งหมายความว่าเวลาที่พระองค์เสด็จมาเป็นพระโพธิสัตว์และตัดสรรุเป็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จคือทรงจำแนกประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์ผู้อื่นอยา<ใ>น่างยิง่งเวลาที่พระองค์เสด็จไปจากโลกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ทรงเสดความวิเศษอย่างยิ่งหมายความว่าเวลาที่พระองค์เสด็จไปคือเวลาที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพาน ก็ตรงเสกความวิเศษอย่างยิ่งคือแม้จะเสด็จ ด, ดับขันธ์ระปรินิพพานไปแล้วศาสนาของพระองค์ก็ยังสามารถนำความสุขมาให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนถึงห้าพันปะีณนณะเป็นคำปฏิเสธสังเสวิ2สองครั้งเท่ากับไม่ปฏิเสธคาถาที่สองก็เช่นกันอ่านจากอักษรตัวต้นไปถึงอักษรตัวท้ายก็ได้ข้อความเป็นภาษาบาลีอย่างใด เมื่ออ่านจากอักษรตัวท้ายมาถึงอักษรตัวต้นก็ได้ความเป็นภาษาบาลีอย่างนั้นดังนี้ราชราชาะยะโสเปตะวิเสังรจิตังมะย า, ยามะตังจิระสังเสวิตเเปโสยะชะราชราส่วนคำแปลที่ว่าคำพีชื่นาตังการะไดขับเจ้ารชนาอย่างพิเศษประดับด้วยพระยศของพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชา หมายความว่าคัมภีร์ที่ท่านแต่งนั้นระดับด้วยพระพุทธคุณอย่างยิ่งด้วยบุญอันเกิดจากการแต่งคัมภีร์นั้นข้าพเจ้านั้นขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบำเพ็ญนานที่ทรงบำเพ็ญนานคือทรงบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นเวลายาวนานและทรงมีตะบะอย่างไม่เก่าแก่จนกว่าจะถึงสภาวะที่ไม่มีความแก่สภาวะที่ไม่มีความเก่าแก่นั้นก็คือพระนิพพานวันนี้ก็สมควรแต่เวลาไปท่าน ตั้งใจในการศึกษารองรับน้อมรับคุณขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธรักขิตาจารย์จะได้พันน า, นาในคัมภีร์จินารังการะดีการนี้ต่อไปขอให้เตรียมศรัทธาอันเป็นภาชนะไว้ไปเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ